วันนี้เป็นวันหนึ่งที่พวกเราได้มาร่วมมารวมกันแสดงออกจึงน้ำใจเคารพสักการะในองค์หลวงปู่ของพวกเรางานวันนี้เป็นงานบำเพ็ญกุศลสมโพธ์ศาลาสถิตธรรมวิสุทธิ์คือตก่อนพวกเราอีกอยู่อีกศาลาหลังหนึ่งแต่วันนี้รู้สึกว่า โอ้อาสวย ง, งามศ า, าลาหลังนี้เป็นการอุทิศถวายปีที่11คือองค์หลวงปู่ของเราได้หลวงปู่ถิ่นของเราได้จากไปได้11บเอ็ดปีรอบๆคล้ายวันละสังขารของหลวงปู่ถิ่นทิตธรรมโมและบุรพาจารย์ที่ล่วงรับอดีตเจ้าวาดวัดทิพย์พญลัดนิมิต บ้านจิกตำบลหมากแข่งอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีวันนี้ก็เห็นศรัทธาญาติโยมรู้สึกว่ามากหน้าหลายตามากทีเดียวและต่างฝ่ายคณะสงฆ์ก็เห็นท่านเจ้าพระคุณเจ้าคณะภาคแและก็รองเจ้าคณะภาคแปดและก็มีท่านเจ้ากุณราชวรารังการพร้อมกับคณะสงฆ์ มากหลายองค์วันนี้เดได้เจริญพระพุทธมนต์แต่วันนี้ก็คณะทศไทยญาติโยมก็ได้นิมนต์กล่าวว่ารัตนาหลวงพ่อเป็นองค์แสดงธรรมและก็แสดงธรรมมาติดต่อกันมาหลายปีนะคณะทศไทา ญ, ญาติโยมแต่ต่อไปภายภาคหน้าหลวงพ่อไปนัสถานที่ใดหลวงพ่อก็เคยบอกกล่าว ว่าอายุของหลวงพ่อนี่มากแล้วเนอะคณะทายาทโยมจะไปที่ไหนต้องคิดแล้วคิดอีก เ, อเพราะอายุป่าเข้าไป72ปีแล้วแต่บางท่านบางคนก็ทุกพ ล, ลภาพแต่หลวงพ่อยังพอทนไหวเขาก็ถามว่าเป็นไงหลวงพ่อสบายดีพอทนไหวถ้าจะว่าสบายดีมันก็ตอบอย่างนั้นไม่สนับใจ พอนะว่าพอทนไหวเนี่ยค้ายๆว่ามันพอเหมาะอย่างไปกราบกระวะหลวงปู่ทุยอําเภอออําเภอปากคาดบึงการหนองคายก็กราบโอ้คู่บ่ายจันกระผมคงจะไม่ได้มาอีกนะบางทีนะแต่ขอดูสุขภาพซะก่อนถ้าว่ากระผมไม่มาก็จะไปบอกว่ากระผม ่ไม่มาหัวแข็งไม่ใช่ได้กลาวคารวะเคารพอย่างนักเกา่าแต่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงครูบาอาจารย์ให้ความเคารพอย่างเกา่าแต่ว่าสุขภาพของกระผมเนี่ยสักจะไม่ไหวละต่อไปนีนะ่อาจจะไม่ได้มากล่าวคารวะครูบาอาจารย์อย่างทุกปีที่ผ่านมาท่านก็บอกเออถ้าไม่มาผมจะไปหาครับผมถ้าครูบาอาจารย์ไป โปรดเมตตาก็เป็นวุณกุศลอันยิ่งใหญ่กับผม <c oughs> จากนั้นก็ไปวัดถึหงลวงปู่ไทอีกที่เขาใหญ่วัดวัดยาทัมปันโนเขาใหญ่ไปก็ไปพูดที่นั่นอีกโอ้คุบาจา์กับผมมาคราวนี้ จ, จะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะครับศัทธา ญ, ญาติโยมกราบคุบาจานเพราะว่าสุขภาพของกับผมอายุปานนี้แล้วจะเดินทางจาก อุรจากอำเภอสุดท้ายปลายแดนจะมาถึงเขาใหญ่ใช้เวลานานเหลือเกินเหนื่อยยอมแพ้คนนั้นขอครูบาอาจารย์ได้โปรดรับทราบในความรักเคารพนับถือนั้นกระผมยังเหมือนเดิมไม่มีอะไรบอกประกาศให้คณะสัทาธาตาิโจมด้วยว่าต่อไปภายภาคหน้าอาจจะไม่ได้มานะ แต่ที่งยังไงถ้าหากว่าดีกาไปแล้วที่มนไปแล้วไม่มาก็จะถือเป็นอย่างอื่นแต่ในส่วนจิตใจนะั้นยังรับเคารพครูบาอาจารย์อยู่แต่สุขภาพมันชัดจะไม่ไหวแล้วอันนี้หลวงพ่อไปสถ า, านที่ในหลวงพ่อก็พูดอย่างนั้นนะคณะสัทธาญาติโยมมาที่นี่ก็เหมือนกันนะั่นะปีนี้ได้มาปีหน้ามันยืมวันอยู่จริงๆคนนั้นวันนี้ได้มาพบมาเจอคณะรัาญาติโยมทุกๆ ท, ท่าน เห็นและกับความพร้อมเพียงสามัคคีอย่างรบอย่างรักเขารบในองค์หลวงปู่ถิ่นของพวกเรายางังสม่ำเสมอเห็นและปีนี้รู้สึกว่จะมากกว่าทุกปีหรืออาจจะมีเพราะอาจจะเป็นเพราะการได้สมโพธิสาลาสถิตธรรมวิสุทธิ์ก็หม่ทราบแต่ที่อย่างไงก็ขอฝากไว้กับพวกเราทุกๆท่านเราได้รับธรรมะจากองค์หลวงปู่ของเรา มากมายที่ท่านหลวงปู่แนะนำสั่งสอนบอกกล่าวให้ธรรมะกับพวกเราเพราะนั้นให้พวกเราถึงวันอย่างนี้นะวันครบครอบของท่านพวกเราก็ควรจะลํำลึกถึงพระคุณ ข, ของท่านที่ท่านให้ธรรมะกับพวกเราถ้าหากว่าพวกเราไม่ได้รับธรรมะจากองค์ท่านเราจะเป็นอย่างไรเราก็คงจะป่าเถื่อนมากกว่านี้แต่ที่เราได้รับธรรมะจากท่าน จึงได้รู้อันไหนควรไม่ควรอย่างไรรู้ซึ่งรู้ซึ่งนะทางด้านจิตใจทางด้านธรรมะนี่แหละ<ม>พอเราระลึกถึงอย่างนี้เราควรจะมากราบคารวะท่านปีเดิมอย่างน้อยนะแต่ทามามากกว่านั้นก็ยิ่งดีแต่ว่าปีหนึ่งก็ไม่ควรจะขาดหลวงพ่อว่านะแต่บางคนหลวงพ่ออยู่ที่นั่นมีหลายคนนะคณาจายญาติโยม ผมปฏิบัติมานานที่ฉันปฏิบัติมานานก็ไม่เห็นมันก้าวหน้ามันอยู่มันอยู่เหมือนอยู่ที่เก่ามันไม่ขยับไปที่ไหนเลยเกลียดใจระบว่าการพอพุทธปฏิบัติธรรมสมาธิมันไม่ก้าวหน้าหลวงพ่อบอกว่าเ อ, อ้ยพวกเราคิดอย่างนั้นทีเดียวก็พวกเราไม่ได้ทบทวนเบื้งดูข้างหลังถ้าเราทบทบนวนดูข้างหลังเราซี ว่าสมัยก่อนหน้านี้ เ, เมื่อข้าพเจ้ายังไม่เคยเข้าวัดแล้วข้าพเจ้าเข้าวัดใหม่และเข้าพระเจ้า เ, เริ่มภาวนาครั้งแรกๆจนมาถึงภาวนาขนาดเดียวนี้ น, นึกทบทวนดูพอทบทวนดูแล้วก็ยิ่งถอยหลังกว่าที่เรายังไม่เคยเข้าวัดมาก่อนอย่ำแย่กว่าแต่ก่อนแต่ก่อนไม่เคย แต่ก่อนไม่จิตใจของเราก็ไม่เคยเอโอบโกรธหลงถึงขนาดนี้อันนี้มันทําไมมันถล้ำเข้าว่าโกรธก็โกรธจริงๆโลบก็โล บ, บจริงๆทําไมมันทํำมาจิตใจของเราเป็นอย่างนี้อันนั้นแปลว่าเข้ามาสู่วัดวานขาดทุนอขาดทุนแล้วอแต่ว่าเข้ามาปฏิบัติตนไม่ถูกแล้วแต่ถ้าว่าเรานึกย้อนหลังดูว่าขณะนี้เรายือนอยู่เดี๋ยวนี้นะ่ะถึงว่าเราขาดทุนก็เถอะนะ แต่ว่าเรานึกย้อนหลังสมัยเมื่อเรายัางไม่เคยเข้าวัดแต่ถึงย่างไงเดี๋ยวนี้ก็ยังดีกว่าเรารู้เรื่องต่างๆดีกว่าจิตใจของเราได้รับความสุ ข, สขทางด้านจิตใจดีกว่าแต่คนก่อนหน้านี้นะอันนั้นแปลว่าเราได้กําไร่ะเราได้กาไรแต่เราอยากจะได้อยากจะได้ราคามข้าวกระโดดอยากจะได้กระโดดไปกว่านี้แต่ตามไม่จริงเราได้กาไรอยู่แล้วนะ แต่เราจะจะได้ไดําไรมากเกินไปเราก็เลยท้อแท้เราก็เลยทำมันก็เลยทกใจแต่ตามไม่จริงนะ เ, เราเนื้อดูสมัยก่อนเมื่อเราทําไม่ทํามาค้าขายแต่เราจนอยู่แต่เมื่อเราทํามาค้าขายเราได้บ้านได้ที่ดินการทํามาหาเลี้ยงชีพของเราก็พอเป็นไปแต่เรามองคนอื่นเขาเขาทําไมรวยกว่าเราตั้งเยอะแยะไปทําไมเราจึง จนในขนาดนี้การทํามาค้าขายของเราคงจะไม่ไม่เจริญเใ็จแล้วแต่ให้เรานึกย้อนสมัยก่อนที่เราไม่ทํามาค้าขายนั้นเป็นยังไงเราไม่มีบ้านอยู่อาศัยสมัยก่อนนั้นการอยู่การเป็นอยู่ของเราแลวนแค้นกว่าตึเดี๋ยวนี้กว่านี้ไม่ใช่เหรอสิ่งเราเนี่ยพวกเรานึกย้อนนะพวกเราจะมีกําลังใจ ในการประพฤติปฏิบัติธรรมของพวกเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกพระเถรเดนชีทั้งหลายทั้งปวงเนี่แหละผู้ปฏิบัติธรรมอยู่ในพระพุทธศาสนาก็ให้พวกเราตั้ง อ, อกตั้งใจประพฤติปฏิบัติหลวงพ่อว่านี่แหละให้ให้พวกเรานึกทบทวนย้อนหลังพวกเราจะเห็นเห็นจุด เ, เห็นจุดขาดตกบกพร่องแล้วเห็นจุดอ่อนจุดแข็งของเราเอง เราไม่ให้มองคนอื่นนะให้มองตัวเองนะวันนี้ก็เดีวพวกเราก็ได้มาร่วมมารวมกันที่พวกเราได้ฟังธงรรมเทศนาขององค์หลวงปู่ถิ่นของพวกเราท่านแนะนาสั่งสอนบอกกล่าวในเรื่องราวต่างๆพวกเราก็ซึ้งในใจจนถึงท่านร่วงรับดับขันจุติธี่ราผาไปพวกเราก็ได้มาร่วมมารวมกันอย่างวันนี้และถ้าต่อ น, นี้ไปหลวงพ่อจะแสดงธรรมและตอนนี้เข้าประเด็น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 ปุเพจักตะปุญญตาอัตตสัมมาปันธิติเอตัมมังครมุตตะมันตีติวันนี้นับเป็นวันหนึ่งที่พวกมาพวกเรามาน้อมรำลึกถึงวันที่องค์หลวงปู่ของเราจากไปเป็นเวลาส1บอดปีวันนี้ถือว่าเป็นวันถ้าเรานึกย้อนหลังไปส1บอปี ที่หลวงปู่จากไปพวกเราก็เกิดความสลดสังเวชใจเป็นทุกข์ใจในวันที่องค์หลวงปู่จากไปแต่หลวงปู่จากไปเป็นเวลาสิเปีมาวันนี้และก็พร้อมพวกเราก็ยังระลึกถึงับคุณของท่านอยู่ในจิตใจของพวกเราเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านาการระลึกถึงครูบาอาจารย์ให้ประกอบคุณงามความดีสิ่งไหนที่ดี คิดดีทำดีพูดดีให้พวกเรานำมาปรับพุทนปฏิบัติปรับปรุงกายวาจาใจของพวกเราในช่วงนี้เป็นช่วงเทศการจวนจะเข้าพรรษาถานับดูแล้วก็คงไม่ถึงสองอาทิตย์ออาทิตย์กว่านิดหน่อยที่พรรษาจะมาถึงเพราะนั้นในพรรษาหลวงพ่อไปน่สถานที่ใดในช่วงนี้หลวงพ่อจะบอกกล่าวพวกพุทธบริษัท จัทธาญาติโยมทุกหมู่เหล่าว่าในพรรษาที่จะถึงนี่พวกเราจะปรับปรุงแก้ไขประพิบัติประพฤติปฏิบัติตนอย่างไรไม่ใช่วั น, ว, นวันคืนเดือนปีผ่านไปผ่านไปแล้วพวกเราก็ไม่ได้คิดอะไรแต่ตามไม่จริงพวกเราน่าจะคิดล่วงหน้าไว้ก่อนวางแผนไว้ก่อนว่าในพรรษาปีที่59เนี่ เราจะทําตนอย่างไรเพราะพระในครั้งพุทธการคร้างของพุทธเจ้ายกตัวอย่างอย่างพระจักคูบานเนี่ยท่านไปจําบรรษาในป่า30 ร, รูปด้วยกันท่านก็บอกว่าเอาใครจะรักษาอะไรสัตว์จะอธิษฐานอะไรในพรรษานี้ส่วนข้าพเจ้าเองที่เป็นหัวหน้าข้าพเจ้าจะเร่งความภาคความเพียรอย่างมาก ในพรรษานี้ข้าพเจ้าจะเอาอริยบทสามเอาอริยอริเอารเอาริยบทหนึ่งคือเราจะไม่นอนตลอดไตรมาสสามเดือนอไม่นอนอมีดยืนเดินนั่ง เ, เท่านั้นยืนเดินนั่งเท่านั้นจะไม่นอนตลอดไตรมาสสามเดือน ไม่เอ็นกายเลยนะข้าพเจ้าจะไม่เอ็นกายในสเดือนในพรรษานี้นั่นแหละอันนี้ก็คือท่านตั้งจิตอธิษฐานขององค์ท่านแต่องค์อื่นท่านจะทํำยังไงท่านก็ไม่ได้พูดได้กล่าวเพราะฉะนั้นพวกเราทุกท่านในพรรษาที่จะถึงนี้อย่างน้อยถึงจะไม่อธิษฐานไม่นอนตลอดไตรมาสสามเดือนเราก็ควรจะปฏิบัติตน ว่านในไตรามาสสามเดือนเนี่ยข้าพเจ้าจะไหว้พระทุกวันแต่เพราะเราเป็นพุทธบริษัท เ, เป็นพุทธศาสนิกชนเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าแต่าศาสนาอื่นเขาก็ยังทํากันละหมาดวันละกี่ครั้งพวกเราก็รู้กันแต่พวกเราเนี่จะเป็นพุทธกวพุทธในทะเบียนบ้าน <c oughs> ก็ไม่น่าจะถูกต้องอให้นึกทบทวนดูตัวของเราเองพวกเราเป็นพุทธบริษัท เป็นเราเข้าจดทะเบียนเข้าบริษัทนี้แล้วนะี่คือพุทธทางธรรมังสังขังสรานางังคัจฉามิดูตียามปีพุทธทางธรรมังสังขังสรารนางังคัจฉามิตาตียามปีพุทธทางธรรมังสังขังสารนังคัจฉามิข้าพเจ้ายึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ครั้งที่หนึ่งครั้งที่สอ ง, ค ร, ง, สองครั้งที่สาเป็นเจรณะเป็นที่พึ่งนี่แหละเป็นอันว่าพวกเรายึด พัดไราสารณคมเป็นที่พึ่งในพ ธ, ธบริษัทสเพราะนั้นพวกเราเมื่อมาถึงจุดนี้แล้วเราควรปฏิบัติตนอย่างไร่ไม่ใช่ว่าเรากล่าวเฉยๆพอถึงมาข่าวกล่าวพอกล่าวพอกล่าวเสร็จแล้วก็จบไปไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็ไม่น่าจะถูกเพราะในพรรษานี้เอาเถอะข้าพเจ้าปล่อยปะละเลยมานานข้าพเจ้าจะรัก อาสาคําสัตย์ของข้าพเจ้าจะตั้งสัตว์เอาไว้ว่าข้าพเจ้าจะไหว้พระทุกวันก่อนนอนอะรหังสวากาโตสุปฏิปันโนหรือว่าอย่างน้อยก็พุทโธธัมโมสังโฆได้เพียงแค่นี้กันนับวันกากพระทุกวันไม่ให้ขาดยึดภ พ, พุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสาระปินที่พึ่งพุทโธธัมโมสังโฆจากนั้นก็อะรหัง สัมมาสัมพุ ท, โทธโภพคะวาสวาคาโตจุปติปันโนวายพระเสีแล้วกอนะนะโมตัสสะนะโมตัสสะข้าพเจ้าข อ, อนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นจากนั้นก็พดทางสรณาคขาิฉา ม, มิธรมมังสังขังดุติตาติได้เพียงแค่นี้กับนับว่าดี ถ้ามากกว่านั้นก็อิติปิโสภควาอารหังสัมมาคือสนรเสริญพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ตอนเช้าจากนั้นกแผ่เมตตาแต่แผ่เมตตาเนี่ยเราต้องมีนะแผ่เมตตาอาหารโุคิโตโหมินิทุโขโหมิอันนี้เราแปลเป็นภาษาภาษาไม่ไม่เข้าใจเพราะเป็นภาษาบาลีแต่หลวงปู่ล่าเนี่ยท่านบอก แนะนำหลวงพ่อแต่ทำไมเป็นเนนน้อยนะหลวงพ่อจําไม่ลืมท่านบอกว่าไม่ต้องเป็นพูดเป็นภาษาบาลีก็ได้เรานั่งปนมมือพอไหว้พระจบแล้วเรานั่งปนมมือขึ้นระหว่างอกเราก็ตั้งจิตอธิษฐานว่าข้าพเจ้าจงเป็นสุขผู้อื่นจงเป็นสุขข้าพเจ้าต้องการความสุขอย่างไรผู้อื่นสัตว์อื่นวิญญาณอื่นทั่วไตรโลกธาตุขอให้มีความสุขอย่างที่ข้าพเจ้าต้องการ อย่างที่ข้าพเจ้าปราถนาทุกทุกวงใจทุกทุกวงวิญญาณด้วยเทอญอันนี้คือเราแผ่เมตตาต่อสรรพสัตว์คนที่มีเมตตาจิตอยู่ในอยู่ในจิตในใจไปณสถานที่ใดจะไม่มีเวรมีภัยนอนหลับและตื่นก็เป็นสุขไปณสถานที่ใดผู้ที่จะจะมาจองเวรกับเราเขาเกาะไม่ติดเขาจองเวรไม่ติดเพราะว่าเราใจของเราไม่มีการจองเวรกับเขา นี่แหละหลวงปู่ครูบายอาจารย์แนะนาสั่งสอนแต่ถ้าว่าพวกเราไปนะักสถานที่ใดเราไม่มีเมตตาอยู่ในจิตใจเมื่อเขาจองคาจองเวรมาเวร น, นั่งเกาะเกาะกันอีลลงตุงนั่งไปหมดเลยเมื่อเราเขาจองมาเราก็จองไปต่างคนก็ต่างจองเวรจองกรรมกันไปที่ไหนไม่ไปไม่ถึงไหนเลยนี่เพราะอะไรเพราะเวรกรรมเขาให้มันจองเวรกัน เวรจะระ ง, งับได้ถ้าหากว่าเราไม่จองเวรเวรจะระ ง, งับไม่ได้ถ้าหากถ้าหากเรายังจองเวรเขาอยู่เพราะฉะนั้นในหลักของพุทธศาสนาพวกเราได้มาพบพระพุทธศาสนาพบพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าพบพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านบอกกล่าวว่าอย่าไปคิดจองกรรมจองเวนเนอร์ให้อภัยกันดีที่สุดแต่เมื่อให้อภัยกันเขาจะตีเขาจะไล่เป็นเรื่องของเขา ในเมื่อเขาตบมือมาข้างเดียวเราไปตบมือรับนะมันก็ปรบปบลงตรบลมตรบแรงไปอย่างนั้นแหะแต่ถ้าเรามือประสานขึ้นไปไประจบกระดังเพี้ยนต่างคนก็ต่างจองร้านจองผ่านจองกรรมจองเวรกันมันไม่ดีนะ ม, มันมไม่มีที่สิ้นสุดอิรันพันตูกันไปไม่สามารถที่จะพ้นทุกข์ในวัฏสงสารได้ถ้าเรายังไปจองเวรกันอยู่อย่างที่พระพุทธเจ้ากับพระเทวทัต พระเทวทัตจองเวจรจกีงยงยุแต่พระพุทธเจ้าไม่จองไม่จองเวรมีแต่ให้อภัยอย่ตลอดเป็นผู้แพ้อยู่ตลอดเลยพระเทวทัตเอาชนะอยู่ตลอดเออจนจะถึงจะฆ่าพระพุทธเจ้าไม่รู้กี่ครั้งกี่หนแต่พระพุทธเจ้ามีแต่ให้อภัยผลในสุดพระพุทธเจ้าก็เป็นผู้ชนะพระพุทธเจ้าเข้าสู่นิพพานเทวทัตก็ลงไอเ ว, เอเ ว, เอเวจีมหารกนะนั่นแนหะไปคนทิศฐะทางกันเลยทีนี้ เพราะนั้นผู้ที่ให้อภัยเป็นผู้เสียสละเป็นผู้ที่ไม่จองกําจองเวรกับใครอื่นนั่นแหละคือปาารคือปาา์บัณฑิตเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะคณะสัตยาติาาจโฐม น, นเวลาเราไหว้พระตอนย่ำคำําตอนหัวคําเสร็จแล้วเราก็แผ่เมตตาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายอย่าได้มีเวรต่อกันและกันเลยนะ จากนักขาวพุทโธธรทมโมสังโฆนิ พ, พานังข้าไปเจ้ากล่าวพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ไม่ได้กราวเพื่อเลาะเอะไรเลกลาวสาครั้งเฉยๆนะเรากล่าบหวังเพื่อพระนิพพานนะเนี่ยนี่แหะครูบาอาจารย์ท่านแนะนําสั่งสอนคือเราทําทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้ทําเพื่อหลอกเล่นทําเพื่อหวังมรรคผลนิพพานจริงเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกท่านที่ได้ฟัง หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวให้ฟังอันนี้คือในปรรษาจากนั้นเราจะรักษาศีลห้าได้ไหมแต่ผู้สูงอายุคณะจะสมท า, านศีลห้าข้าพเจ้าจะรักษาศีลห้าตลอดไตรมารสสเดือนอก็ไม่เห็นยากที่ตรงไหนรักษาศีลห้าไม่ฆ่าไม่ฆ่ามดฆ่าจุนแล้วก็ไม่เบียดเบียนสัตว์อื่นแล้วําไม่ขโมยเราก็ไม่ขโมยอยู่แล้ว เรื่องกาเมซูมิชาจานเราก็ระวังอยู่แล้วเรื่องโกหกเออเป็นญาปากข อ, อกสักหน่อยอบางทีก็มันเคยเป็นนิสยัยบางทีเราพูดอะไรมันยังไม่ได้ตั้งใจมันออกไปก่อนแล้วนะินสัยโกหกนะแต่ถึงยังไงถ้าเรามีความระเวียงระวังมันก็อยู่ได้เพราะเรามีสติสัมปันฉำปัญญัยล้างมันไว เ, เราก็ความโกหกมันก็จะไม่มีอันนี้ก็คือ ข้อสีนข้อที่สข้อที่5สุรามรยะแต่ถึงยังไงข้อที่หเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนหนุ่มหรือคนเคยเสพหรืติดื่มมาจนเป็นนิสัยแล้วจุดนี้ควรควรจำรวมระวังเพราะสินข้อที่หเนี่ยเป็นสินที่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายเพราะพุทธศาสนาทั้งหลายประทำคำสอนของพุทธท่านเน้นหนักมากแต่ชาวโลกเขาไม่เน้นหนักแต่พุทธศาสนานเน้นหนัก เพราะเหตุไรเพราะว่าคนขาดสติในเมื่อคนขาดสติแล้วทําความชั่วเสียหายได้ทุกอย่างคนขาดสติจะฆ่าใครก็ได้ขโมยใครก็ได้ละหลับลวงในสามีภรรยาของใครก็ได้โกหกใครก็ได้เพราะคนขาดสตินะมเมื่อคนขาดสติแล้วจะนั่งภาวนาจะนั่งได้ยังไงจะทําประกอบคุณงามความดีก็ไม่ได้เพราะมันขาดสตินะเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้แล้วสินข้อที่ห้าเป็นสินที่ ไม่ไม่เกิดคุณค่าไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยในชีวิตของเราถ้าว่าเราห่างออกจากศีลข้อทินนี้นะคือเราจะไม่ดื่มสุราชนะในไตรามารสสมเดือนก็จะเป็นมงคลมหามงคลอย่างยิ่งนะเพราะนั้นในพรรษาเนี่ยเราจะรักษาได้ไหมถ้าไม่ได้ตลอดไตรามาสเราพ็รักษาเอาเพียงเถอะเอาสักวันพระหรือวันเาสาร์วันอาทิตย์ ก็น่าก็น่าจะเพียงพอก็ดียังยังดีกว่าที่เราไม่ใส่ใจสนใจเสเลอแต่ถ้าว่าเราจะรักษาศีลตามลำพังเราจะทำยังไงจะเราจะรักษาศีลห้าถ้าเราทำเป็นพิธีกรรมสักหน่อย เ, ออเพื่อให้เราจิตใจของเราเป็นจิตจะลักษณะนะ เ, เราค น, นยอย่างวันนี้วันพุงนี้เป็นวันพระของเราสมมติว่านะเป็นวันพระของเรา เราก็ตอนเช้ามาเราตื่นขึ้นมาเราก็ทำวัดทำวัดเช้าอย่างที่ว่านะี่ยถึงจะได้มากได้น้อยกับทำวัดเช้าอลรหางสวารขาโตสุปฏิปัโนจะนันกัแผ่เมตตาอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวนะเน่ยพอทําวัดเสร็จแล้ว เ, เราก็กล่าวพทาุทธังทำมังสังขังดูตียามปีพทุทธังทำมังสังขังจากนั้นก็กล่าวเป็นองค์สินเลยเอายกกระดาษขึ้นมาก็ได้ยกหนังสือขึ้นมาเอ้ยก ที่มีเรามีตัวหนังสือขึ้นมาแล้วก็วาดตามตัวหนังสือนะป้านาติป้ า, า, ปาตาเวรมณีสิกขาปะทางสมาธิยามิอธินนาธานากรเมีเมุสาสุราเมระยะมัชชะสมาสุราเมรยมัชมมมชะปะมาตฐ า, า, านาเวรมณีสิขาปะทางสมาธิยามิจากนั้นก็เราบอกว่าอิมานิปัญจะสิกขาปะทานิสมาธิยามิ ข้าพเจ้าขอสมาทานศีลห้าวันนี้ตลอดวันตลอดคืนหนึ่งวันหนึ่งกับคืนหนึ่งเพียงแค่นี้เราเป็นศีล น, น, นะครัณนศรัทธาญาติโยมไม่ต้องมารับกับพระก็ได้นะแต่ถ้าว่าเราวันพระในพรรษ า, า, าเราก็มาทําบุญตักบาตรเสร็จแล้วก็มาไหว้พระสมาทานศีลกับครูบาอาจารย์อันนั้นก็ดีเพราะครูบาอาจารย์เป็นสักขีพยาน แต่ถ้าว่าเราอยู่ก็บ้านตามลำพัง เ, เราก็เนี่ยนะไหว้พระสวดมนต์เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ตั้งเก่าวเป็นองค์ศีลขึ้นมาจากนั้นเราก็สมาทานเนี่ยอิมานปัญจะปันจะไปว่าศีลห้านะปัญจะศิกขาประทานิสมาธิยาม่ข้าพเจ้าขอสมาทานศีลห้าวันหนึ่งกับคืนหนึง่ง เ, เพียงแค่นี้แหละ เมื่อสิน้นสิ้นวันหนึ่งกับคืนหนึ่งที่จัดสัจจะของเราได้ตั้งเอาไว้แล้วไว้แล้วมันก็หมดไปละทีนี้แอบพอเรารักษาศีลห้าเพียงวันหนึ่งกับคืนหนึ่งหรือเราจะรักษาเป็นอาทิตย์ก็ได้จะพาเป็นเดือนก็ได้ตลอดไตรามาสสามเดือนก็ได้หรือวันพระใหญ่นักจะรักษาอุโบสถศีลก็ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่ยงพวกชีพราหมณ์นะพวกชีพราหมณ์ที่เคยบวชชีพราหมณ์แล้วทุกวันพระวันอุโบสถ พวกเราควรจะมาทานศีล น, นี่แหละก็คือเป็นหน้าที่ของพุทธบริษัทของพระพุทธเจา้าแต่ว่าพวกเราอยู่ในเมืองอยู่ในบ้านในเมืองเราก็ควรจะทำบุญตักบาตรโดยพอดีเหมือนกันนะหลวงพอ่อกพแนะนำนะควรจะตักบาตรอาทิตย์หนึ่งเราใส่บาตรทุกวันอาทิตย์ทุกวันเสาร์ทุกวันพระได้ไหมวันใดวันหนึ่งก็ได้ ในการทำบุญของเราถ้าเราไม่ใส่ใจฉเฉลยก็ไม่น่าจะถูกต้องนะเพราะหลักของพุทธศาสนาท่านนันมีทานะทานศีลภาวนาเป็นหลักของพุทธศาสนาท่านเราไม่มีทานเฉลยแต่พวกเราก็คิดาโอ๊ยพักทุกวันไม่นานนับถือไม่นานาเลื่อมใสทำตนไม่ดีไม่น่าใสบาตรไม่ท่าทาบุญ เราคิดอย่างนั้นเราก็คิดได้แต่ตามไม่จริงผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบบางองค์ท่านก็มีอยู่้าว่าเราจะตีลวดกวดเพียงไปทั้งหมดมันก็ไม่น่าจะถูกอีกเหมือนกันนะแต่ในครั้งในพระไตรปิฎกท่านก็ยังพูดยังกล่าวว่าในต่อไปภายภาคหน้าพุทธศาสนาถึง 5,000 ปีผ้าเหลืองผ้าน้อยๆผ้าเหลืองห้อยหู ยังผ้าห้อยหูก็ยังว่าถือว่าเป็นพระยังทําบุญกับผู้ที่มีผ้าน้อยห้อยหูก็ยังเป็นบุญเป็นกุศลท่านก็ยังพูดอย่างนั้นแต่พระของพวกเราเนี่ยก็ยังผืนใหญ่อยู่ใช่ไหมยังหุ้มผุ้มหุ้ม่มอองค์ท่านได้อยู่ยังเป็นผ้ากาสาวพัฒน์เป็นธงชัยของพระอรหันต์และนี้เราเวลาจะใส่บาตรแล้วกัเราลือกถึงพระพุทธเจ้า ะระลพระอรหันตสาวกทั้งหลายเออผู้ฆ่าได้บูชาพระพุทธศาสนาได้ตักบาตรไว้พระพุทธศาสนาของบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้ทําบุญเสียสละ เ, เป็นบุญเป็นกุศลเกื้อกูลนุนข้าพเจ้าแต่ถ้าว่าเรารู้พระองค์ไหนปฏิบัติตนไม่ดีไม่มีศีลไม่มีธรรมถ้าเรารู้แล้วเราก็ไม่ควรจะไม่ควรจะส่งเสริมนะภาษานี่คือภาษาน้อง ป, ปู่สิงห์ทอง ท่านสำไมหลวงพ่อเป็นเนรน้อยเนะี่ยท่านบอกว่าถ้าหากว่าเราไปทําบุญกับพระไม่ดีเรารู้ทั้งรู้ว่าพระองค์นี้ไม่มีศีลไม่มีศีล ไ, ไม่มีชีรายจวัตรมาอยู่ในหลักพระธรรมวินัยแต่เราไปส่งเสริมเหมือนเหมือนส่งเสริมโจรห้าร้อยธันวาหนะลวงพ่อยังจาไม่ลืมหลวงพ่อเป็นเนรน้อยฟังหลวงปู่ชิงทองพูดส่งเสริมโจรห้าร้อยทาให้พระพุทธศาสนา กดด่วนเข้าไปเพราะพวกนี้ทําตนไม่ดีทําให้พุทธศาสนาเสื่อมเสียทําให้คนทั้งหลายมานับถือเรื่มใสพระพุทธศาสนาเพราะว่าพระทำตนไม่ดีอันนี้เราก็ไม่ควรจะส่งเสริมถ้าเรารู้ว่าองค์ไหนปฏิบัติไม่ดีแหม่ไม่ใช่ว่าถ้าเราเราไม่ถ้าเราไม่รู้ก็ไม่เป็นไรเราก็ทําไปแต่เมื่อเรารู้แล้วองค์นี้ไม่ดีนิสัยไม่ดีไม่มีไม่ไม่มีศีลธรรมไม่อยู่ในหลักพระธรรมวินัย เราขอยกงดซะองค์นั้นนี่แหละอันนี้คือเป็นพุทธศาสนากชนที่อยู่ด้วยกันนี่หลวงพ่อจะขอแนะนำกับพวกเราท่านทั้งหลายในการสร้างบุญสร้างกุศลนี่แหละจากนั้นก็ทำมากคกนนั้นก็ให้พวกเรานั่งภาวนาเรื่องภาวนาคำนี้แหละแต่พวกเราท่านทั้งหลายเมื่อได้ยินว่าภาวนาคำนี้แล้วเป็นหน้าที่ของครูบาอาจารย์เป็นหน้าที่ของพระสงฆ์ ผู้ปฏิบัติอยู่ในวัดวาศาสนาจึงเป็นผู้ภาวนาแต่ตามจริงไม่ใช่นะทธาญาจมเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกๆคนเพราะการภาวนาพระพุทธเจ้ามอบหมายให้กับพุทธบริษัท4คือภิกษุสมัมมเนนอุบาสกอุบาสิกาสมัยก่อนภิกษุภิกษุณีภิกษุก็คือภิกขายพระสงฆ์ที่เป็นผู้ชาย ภิกษุนีคือคือฝ่ายผู้หญิงสมัยก่อนนั้นมีแต่เดี๋ยวนี้หมดไปแล้วครับท่านก็เลยเอาสัมมนเนนเข้ามาทดแทนสัมมนเนนก็เกือบหมดอีกเหมือนกันภิกษุสัมมาเน อ, อุบาสกก็คือโยมผู้ชายวาจิกาก็คือโยมผู้หญิงที่มอบหมายให้พวกเราเรื่องรับเรื่องทานเรื่องศีลภาวนาแต่ตามให้จริงเรื่องทานเรื่องศีลภาวนาเป็นหน้าที่ของศรัทธาญาติโยมแต่เรื่องศีลสมาธิปัญญา เป็นหน้าที่ของพระสงฆ์ที่อยู่ภายในท่านมอบให้พระสงฆ์เป็นผู้ดำเนินเป็นผู้ปฏิบัตินะแต่ว่าสำหรับศรัทธาญาติโยมเนี่ยให้มีทานให้มีศีลและให้มีภาวนาเรื่องภาวนาเนี่ยเป็นหน้าที่ของทุกๆท่านทุกๆคนพอครั้งพระในครั้งพระพุทธการในครั้งพรพุทธเจ้าพระองค์แสดงธรรมโปรดที่วัดก็ตามที่สถานที่ต่างๆก็ตาม โดยมากอุบาสิกานะอุบาสกอุบาสิกาเกยโอมผู้หญิงผู้ชายเนะี่ยเมื่อฟังธรรมเทศนาของพระพุทธเจานะ้าแล้วท่านเหล่านั้นได้สําเร็จพระโสดาบันมากต่อมากมากกว่าภิกษุทั้งหลายอีกต่างหากแต่ภิกษุทั้งหลายโดยมากท่านแสดงธรรมท่านจะเน้นหนักเป็นองค์ไปที่ท่านจะแนะนําสั่งสอนได้สําเร็จเป็นพระอรหรันตะ์โดยมากเน้นทันเทศพระนะเน้นไปทางได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์มาก สำหรับพระนะแต่โยมเนี่ยน้อยโดยมากโยมเนี่ยมีพระโสดาบันแล้วกัพระอนาคามีก็มีมีบ้างแต่พระพระโสดาบันนี่มากที่ในครั้งพุทธกาลเอ า, าเพียงเฉพเพียงแต่พระโสดาบันทนะั้นก็เป็นที่อุ่นอกอุ่นใจแล้วคือเป็นผู้ไม่ตกต่ําไม่ตกนรกไปไม่เกิดเป็นสัตยรชานไม่เป็นเปรตแปลว่าผู้ที่เป็นพระโสดาบันมีแต่ จะก้าวสูงขึ้นไปเรื่อยๆนี่แหละพระโสดาบันเนี่ยมีถ้าไปสูม่มรรคผลนิพพานเกิดชาติเดียวบางพระโสดาบันแบบประเภทที่สองเนี่ยเกิดสชาติประเภทที่สมเนี่ยเกิด7ชาติไม่เกินเจชาติพระโสดาบันนี่แหละอันนี้กับพวกเราสัตวา ญ, ญาติโยมทุกทุกท่านควรจะฝึกหัดนะเรื่องจิตภาวนาเพราะเราจะก้าวเราจะหมุนเข้าไปสูม่มรรคผลนิพพาน ได้ง่ายแต่มีแต่เรื่องทานเรื่องศีลเนี่ยมันอยู่ห่างมันยังอยู่ห่างนะถ้าว่าเราภาวนาเนี่ยเราจะก้าวเดินก้าวเข้าไปสู่มรรคสูผลได้เพราะนั้นให้พวกเราทุกทุกท่านเมื่อไหว้พระไหว้พระสวดมนต์ตอนเย็นแล้วเรามีมีเวลาเราก็นั่งภาวนาะสักสิบนาทีได้ไหมวิธีการนั่งเขาเนี่ยนั่งคัดสมาธิขาขวาทับขาซ้ายเสร็จแล้วปนมือขึ้นระหว่าง อ, อก ไหว้ครูสัก่อนพุทโธธรรมโมสังโฆพุทโธธรมโมสังโฆพุทโธธรรมโมสังโฆสามจบจากนั้นก็เอามือลงมือขวาทับมือซ้ายจากนั้นก็กําหนดลมหายใจเข้าเราดูนาฬิกาคนก็ได้ข้าพเจ้าจะนั่งสักสิบนาทีวันนี้นะหรือยี่สิบนาทีต่อไปขยับขึ้นไปเรื่อยเป็นชั่วโมงจนะมีเวลามีเวลานะหายใจหายใจเข้าบริกรรมพุท ให้ใจออกบริกรรมโธพดโธพดโธอันนี้คือเราภาวนาตามแนวแถวสายหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นที่ท่านได้นำสั่งสอนอันนี้เมื่อนั่งได้เวลาแล้วเราก็ออกจากสมาธิปนมือขึ้นระหว่าง อ, อ ก, อกเย็จากนั้นเราก็แผ่แล้วก็วุทิส่วนกุศลที่เราได้นั่งสมาธิในในเย็นวันนี้ในครั้งนี้ บุญกุศลที่เกิดจากการนั่งสมาธิของข้าพเจ้าถึงจะสงบหรือไม่สงบข้าพเจ้าบริกรรมพทรุทโธกี่ครั้งกี่กําหนดจิตก็าตามบุญกุศลที่เกิดจากการภาวนาของข้าพเจ้าคราวนี้ขอให้เป็นเครื่องเกื้อกูลหนุนพ่อแม่ปู่ย่าตายายวงศาคณาญาติของข้าพเจ้าให้เจริญยิ่งด้วยอายุราบยศสรรเสริญสุข ถ้าว่าท่านผู้ใดที่ล่วงลับไปแล้วก็ขอให้มารับส่วนบุญส่วนกุศลทุกครั้งในการนั่งสมาธิของข้าพเจ้าให้เรานึกคิดอย่างนั้นนะบริการนั่งนั่งภาวนาจบแล้วนะจากนั้นเราจะค่อยกลับเสร็จแล้วเราก็พักผ่อนนอนตามอัธยาศัยนี่แหละหลวงพ่อว่าจะเป็นชลิเป็นมงคลสําหรับพวกเราท่านทั้งหลายอย่างที่หลวงพ่อได้ยกเป็นพุทธภาจิตเบื้องต้นว่า ปฏิรูปประเทศสวัสจิะปุเพจักตะปุญญาตาอัตตาสัมมาปณิทิอันนี้คือพระพุทธเจ้าท่านแสดงมงคลและสูตรนะมงคล38ในมงคล38นั้นท่านก็บอกว่าปฏิรูปประเทศสวาโซจะพวกเราได้เกิดม า, าในพื้นแผ่นดินไทย อ, อยู่ในปฏิปฏิรูปประเทศเแปลว่า ประเทศที่ไม่ฆ่าเรามากหนาวก็ไม่หนาวมากร้อนก็ไม่ร้อนมากฝนก็ไม่น้ำน้ำก็ไม่ท่วมมากอาหารการบริโภคสมบูรณ์บริบูรณ์คนในประเทศถึงจะเป็นยังไงเราก็ยังพูดกันรู้เรื่องยังมีสิทธิ์มีธรรมอยู่ไม่ได้ทาอะไรทําให้เดือดร้อนวุ่นวายจนเกินไปยังมีการยับยั้งยังมีสิทธิ์มีธรรมอยู่ เป็นประเทศหนึ่งในโลกที่ประเทศที่น่าอยู่ประเทศหนึ่งเพราะ น, นั้นพวกเราจึงได้มาเกิดในพื้นแผ่นดินไทยบปฏิรูประเทสวาโซจ่าเป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์ทำให้เราได้รับความสุขถึงจะยากจนคนแค้นเรื่องเงินบ้างนิดหน่อยแต่เราก็ยังมีอาหารการบริโภคอย่างหาซื้อจ่ายได้อยู่นี่แหละอันนี้นนคือปฏิรูปรเทศวาโซจ่ ปุกเพจากกะตะปุญยตาพวกเราคงจะได้ทําบุญไว้ในอดีตในอดีตอย่างชาตินี้แหละพวกเราได้ทําบุญทุกครั้งเราบรรึกในใจสาธุเนอร์ผู้ข้าเกิดมาพบใรชาติใดข้าว่าอดอยากจะได้มีกับข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าเกิดมาแล้วขอให้สมบูรณ์ด้วยปัจจัย4ี่ไข่ไพวิบัติทั้งหลายจะได้มา หลังแก่เบียดเบียนข้าพเจ้าแผ่นดินไว้ก็ดีน้ําท่วมก็ดีไฟไหม้ก็ดีพายุถล่มก็ดีขอให้ข้าพเจ้าอย่าได้พบได้เจอในภัยพิบัติเหล่านั้นเราขอให้ข้าพเจ้าได้พบพระพุทธศาสนาได้พบประธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าให้ได้ประพฤติธปฏิบัตใิในศีลในธรรมในธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้า เ, าเกิดมาพบไดชาติใจขอครับให้ข้าพเจ้าจะได้ มีภัยวิบัติเกิดไปในสถานที่ไม่มีพระพุทธศาสนาเนี่แหละอันนี้คือเราคงจะตั้งความปรารถนาไว้ในอดีตชาตินะพวกเราจะได้มาเกิดในพื้นแผ่นดินไทยก็น่าภาคภูมิใจนะหลงพอว่านะเรียกว่าปุกเพจจักตะปุญญาตาแต่เมื่อมาถึงข่าวนี้แล้วถ่าท่าเราตั้งตนไว้ไม่ชอบเยเราลืมตัวเออ เราลืมตัวพวกเกิดขึ้นมาแล้วองถล่มไปทำไปทำความชั่วกินเหล้าเมายาเรื่องสิ่งที่มันชั่วขนเข้ามาหาตัวเองทั้งหมดไอสิ่งไหนที่มันชั่วไม่เคารพพ่อแม่กูบาจารย์ไม่เคารพไว้ยวุฒิคุณวุฒิอีกต่างหากอยากจะพูดแ ล, แล้วก็พูดออกไปโดยไม่มีสัมมาคารวะทีนี้ น, น, นี่บาปกรรมตัวนี้หละจะตามสนองนะไงเพราะตั้งตนไว้ไม่ชอบนะ พอออกจากชาตินี้ไปนะั่นบางทีอาจจะถลําไปเกิดแถวนะแถวอฟริกานะตัวดำดำหัวโตนขาเรีบๆไม่มีอาหารอีกต่างหากเอาเอาใจไปเกิดที่นั่นไม่มีเสื้อผ้าอีต่างหากอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได่นพวกเราคิดว่ามันไม่น่าจะมีถ้าเราเกิดอยู่ในพื้นแผ่นดินไทยแล้วมันไม่น่าจะมีแต่มันมีนะโลกนะี้มันมีหลายหลาย หลายเหล่หลายเหลี่ยมหลายแง่หลายมุมจริงๆหลายเหลี่ยมจริงๆโลกใบนี้ไม่คิดว่ามันจะมีคนประเภทอย่างนั้นอยู่ในโลกมันก็มีเพราะอะรเพราะทรัพยสัตว์ทั้งหลายใช้กรรมกรรมคือการกระทําของตัวเองที่ทําไว้ไม่ดีในเมื่อทําไว้ไม่ดีอัตตสัมมาปนิธิตั้งตนไว้ไม่ชอบนะเราก็จะไปเกิดในสถานที่ต่างๆอย่างที่อย่างนั้นละ่ะอย่างที่พวกเราจะเห็นในสื่อต่างๆนั่นแหละ เพรา ะ, ะนั้นขอให้พวกเราทุกทุกท่านนะเกิดมาได้พบพุทธศาสนาได้พบพ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้พบพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วน่าจะตั้งตนไว้ชอบนะประกอบคุณงามความดีแล้วก็สิ่งไหนที่มันไม่ดี เ, เรามองดูแล้วมันไม่ดเีเราก็ควรจะงดเว้นในเรื่องนั้นๆคิดไม่ดีทําไม่ดีพูดไม่ดีข้าพเจ้าจะไม่ทํา เราจะคิดดีทำดีพูดดีเท่านั้นนี่แหละข้าพวกเราคิดในใจตั้งสัจจาอธิษฐานไว้ในจิตใจอย่างนี้อยู่แล้วนะถึงจะเรื่องมันเกิดมาขึ้นมาอย่างไรเราก็พยายามหลีกเลี่ยงจะไม่ทำในสิ่งที่มันไม่ดีนั่นแหละอันนี้ก็คือการเป็นการปูปูทางไปสู่มรรคผลนผิพพานของพวกเราแต่พวกเราไม่ได้คิดไว ไม่ได้คิดไว้ไม่ได้ไ ม, ไม่ไ ด, ไได้ไม่มีการวางแผนของตัวเองเลยวันคืนเดือ น, ป, นปีผ่านไปผ่านไปแล้วเราก็ไม่ได้คิดว่าจะเราจะประกอบคุณงามความดีมีแต่อยู่ไปเรื่อยๆอยู่เป็นวันๆมันก็ถึงจุดจบของมันเหมือนกันนะเพราะร่างกายสังขารมันมีแก่และก็เจ็บและกตายในที่สุดนะนี่แหละขอให้พวกเราทุกท่านนะ ในหลักธรรมคาสอนของพุทธะเนี่ยพระพุทธองค์เนี่ยท่านเห็นท่านเห็นทุกข์เลยท่านกลัวมากที่สุดคือหลักของพุทธศาสนาท่านกลัวมากที่สุดก็คือกลัวความตายครความตายที่ท่านกลัวมากจริงๆเนีเพราะว่าตอนที่ท่านจะหนีไปบวชท่านก็เห็นคนคนแก่แล้วก็เห็นคนเจ็บแล้วก็เห็นคนตายแล้วก็เห็นสมณนาเ น, นี่แหละหลักธรรมคำสอนของพุท ธ, ธาน เพราะนั้นท่านจึงหนีออกไปปวดหนีออกจากเวียงวังเลยจากนั้นกับท่านาไปประฤติปฏิบัติอยู่ในป่าองค์พงไพรถึง6ปีกษัตริย์อย่างพระพุทธเจ้าไปอยู่อย่างนั้นไม่ใช่ธรรมดานะคณะทศัทาญาติโยมแต่คณะพวกเราไม่มีสมบัติสมบัติของเราเล็กๆน้อยๆ เ, เราไปอยู่ในป่าองค์พงไพรเราก็โอ้โอทุกข์จริงๆลำบากจริงๆเลยแต่ที่พระเจ้าเป็นดินท่านอารมสมบูรณ์ถึงขนาดนั้นนะ ท่านไปอยู่ในป่ารงพงไปพวกเราคิดดูสิพระ อ, องค์จะลำบากพระไทยขนาดไหนแต่พระ อ, องค์เป็นผู้เสียสละนะเป็นผู้ ม, มุ่งมั่นในอัตในธรรมหวังทางหวังหาทางพ้นทุกในวัฏสงสารพระ อ, องค์ก็ประสบสำเร็จสมความมุ่ง ม, มาตปรารถนาในที่สุดในวันเดือน6กเพรนนั้นเพราะนั้นขอยพวกเรา ท, ทุกท่านเอายึดพระพุทธเจ้าเป็นตัวอยา่างยึดพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าเป็นตัวอยา่าง ยึดพ่อแม่ครูบาอาจารย์เป็นตัวอย่างให้อย่างลวงตามหาบัวหลวงปู่ถิ่นของเราเนี่ยท่านบำเพ็ญมาเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีพวกเราในฐานะลูกหลานเลนทั้งหลายควรจะยึดแนวปฏิปทาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์เป็นแบบฉบับเป็นทางเดินของพวกเราถึงจะยากลำบากยังไงพวกเราควรปฏิบัติตนให้เป็นคนดีเอาไว้น่ะพอสิ่งที่มันไม่ดีน่ะ อย่ารีธรรมนะลูกหลานนะคณะสัตยาญาติโยมนะที่หลวงพ่อได้ฟังได้ศึกษาในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธ เ, เจ้าพระองค์ตรัสไวไวอัออกกตังทุกตังเสยโยปัชชาตะปฏิทุกตังกรรมชั่วคิดชั่วทําชั่วพูดชั่วอย่าทําซะเลยดีกว่าเมื่อเราคิดชั่วทําชั่วพูดชั่วกรรมชั่วให้ผล ตนเองนั่นแหละจะเดือดร้อนเมื่อภายหลังอันนี้หลวงพ่อฟังขึง้นถึงใจเหลือเกินเพราะอะไรเพราะการทําความชั่ว เ, เมื่อกรำชั่วให้ผลนั่นไม่ใช่ใครอื่นจะเดือดร้อนตัวเองนั่นแหละจะเดือดร้อนเอพราะฉะนั้นให้พวกเราเลิเวียงระวังเอาไว้แต่สมัยเมื่อเราทําเราก็คิดว่าเราเฉลียวฉลาด เ, เรารู้กฎหมาย เ, เรารู้ว่าเอาตัวรอดได้ไม่มีปัญหา แต่เมื่อเขาสักไซไ ล, ล่เหลียงไล่ตัวทันเข้ามาแล้วตายเลยท่านนติดคุกเมื่อแก่มันเสียหน้าเสียตาเสียกิติศัพท์ชื่อเสียงขนาดไหนทนนีเพราะนั้นกรรมชั่วจะทําเสียเลยดีกว่าเมื่อกรรมชั่วทําลงไปแล้วกรรมชั่วให้ผลทําให้ตนเองเดือดร้อน เ, ออเพราะฉะนั้นวันนี้หลวงพ่อได้กล่าวธรรมเทศนาได้กล่าว สัมโมทธทันยกถาหรือวันไดกล่าวสังเวชทนันยกถาพร้อมกันทําไมจึงว่ากล่าวสมโมทนันยกถาคือกล่าวถึงคุณงามความดีของพ่อแม่ผูบาอาจารย์ถึงกล่าวถึงสังเวททันยกถาก็คือกล่าวถึงความสลดใจเมื่อสิบเอ็ดปีให้หลังที่หลวงปู่พวกเราจากไปพวกเราก็ทุกใจเป็นเรื่องสลดสังเวทในจิตใจคนนั้นหลวงพ่อจะได้กล่าวเป็นสองอย่างคือ สำมดเนิยกระาก็คือคุณงามความดีของท่านสังเวทนิยกระาก็คือเราเรารึกถึงธาตุขันของท่านที่จากพวกเราไปพวกเราก็ไม่อยากจะให้จากไปแต่ท่านก็จากพวกเราไปพวกเราก็เป็นทกใจไม่ใช่น้อยในช่วง11ปีให้หลังเพราะนั้นหมดถึงวันนี้พวกเราจังลำจังมาล้ำรึกถึงพักขนของท่านได้มาร่วมมาร่วมกันมาทําบุญ อย่างน้อยต่อเพื่ท่านเจตุจ ต, ตินิพพานไปแล้วนะพวกเราก็อ น, น้อมราลึกถึงอุทิศถวายกุศลให้กับท่านแต่เมื่อท่านเข้าสู่นิพพานแล้วบุญกุศลที่พวกเราได้ทําในวันนี้มันก็จะถ่ายไหลทะลักเข้ามาสู่จิตใจของพวกเราไม่หายไปไหนหรอกการสร้างบุญสร้างกุศลเหมือนกับเราทําบาปการทบาบาปก็ไม่หายไปไหนมาหามาหาตัวของพวกเรา การทำบุญก็เหมือนกันไม่ไปไหนมันกลับมาหาพวกเราอีกเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นการสร้างบุญสร้างกุศลด้วยบุญบารมีของพ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยอํานาจคุณนภาษีรันรตนตรัยพระ์ุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์บุญบารมีของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอให้มาคุ้มครองศรัทธาญาติโยมทุกๆ ท, ท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญความสุขความเย็นใจ ปราถนาสิ่งใดอยู่ในกรอบของศีลธรรมขอขอให้สมหวังดังปราถนาทุกทุกท่านทุกทุกคนด้วยเถิน